เพราะความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายประสูรในวันนี้ก็คงพูดในกลุ่มของชาดกชาดกในวันนี้คือธรรมทัชาชาดกมีใจความที่เป็นรูปของภาสิทธันขึ้นมาสองบาท่าว่าท่านมานั่งศบเซาอยู่ในป่า เพราะเหตุไรท่านผิดหวังในเรื่องอะไรจึงมจึงมาได้นั่งซบเซา อ, อยู่ในป่าแล้วก็พาสิทธิ์ต่อไปก็พูดว่าข้าพเจ้าได้ทิ้งบ้านเมืองมาอยู่ในป่าเพื่อคิดถึงธรรมะของสัตว์ปรุรดูใจความก็มีทนีนีเราฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไร ตันั้นในอันตถกาถาท่านจึงเล่าถึงความเป็นมาของคาถาว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จประทับจุ่ที่ประเทศตะวันในกรุงสาวัตถีพระภิกษุทั้งหลายได้มาประรับเรื่องปฏิบัติการจองเวรของพระเทวทัตที่ทําต่อพระพุทธเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่า ว, ว่าเป็นการกระทําของคนที่จิตใจ โหเทียมลือเกินปอดีพระพุทธเจ้าก็เสด็จมารับสั่งถามว่าท่านเหล่านั้นสนทนากันในเรื่องอะไรท่านก็กราบทูลให้ทรงทราบรับสั่งว่าเทวทัตปฏิบัติการจองเวรเราไม่ใช่เฉพาะชาตินี้เท่านั้นแต่ก็ได้ทำมาแล้วหลายชาติด้วยกันแล้วก็ยกตัวอย่างในชาติ ที่พระองค์เป็นปุโรหิตชื่อว่าธรรมทัตเรารับสั่งเล่าเรื่องอดีตต่อไปว่าในอดีตการเมื่อพระเจ้ากรุงพารานสีสวยราชสมบัติอยู่ไหนกรุงพารานสีนั้นปุโรหิตของพระองค์ชื่อว่าธรรมทัตมีเสนาบดีชื่อว่ากาลกะแล้วก็มีช่างการระบบชื่อจตตะปานี เสนาบดีนั้นนอกจากจะมีตําแหน่งเป็นเสนาบดีแล้วยังมีตําแหน่งในการพิพากษาวินิจฉัยคดีต่างๆด้วยแต่เนื่องจากเป็นคนละโมบโลบมากเห็นแก่ตัวใครให้ประโยชน์อะไรแก่ท่านต้องก็วินิจฉัยคดีให้คณะให้ชนะอยู่เรื่อยๆต่อมาวันหนึ่งธรรมทัตปุโรหิตเดินไปก็มีรัศฎรเข้ามาร้องทุกข์ เล่าวความจริงให้ฟังว่าเขาไม่ได้ทำผิดอะไรแต่ว่าถูกท่านการละกะเสนาบดีวินิจัยให้แพ้ความในคดีโกงท่านปุโรหิตเห็นเช่นนั้นก็รู้สึกว่ามันไม่ชอบไม่ควรท่านก็ไปที่ศาลเองเราเรียกคู่ความจำเลยพยานมาใหม่ทั้งหมดแล้วก็เริ่มสอบถามชำระความตั้งแต่ต้น พิจารณาเทียบเคียงแล้วก็เห็นว่าจำเลยไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ตัดสินให้จำเลยชนะไปประชาชนที่รู้เหตุผลเรื่องราวก็ดีใจที่ธรรมทัตเสนาบดีไอ้ปุโรหิตให้ความเป็นธรรมแก่ราศดรก็จะโยโคหิ้วกันเป็นการใหญ่เสียงที่อึกกระทึกนั้นได้ยินไปถึงพระราชวัง พระราชารับสั่งถามว่าเป็นเสียงอะไรอมาร์ตก็มากราบทูลว่าเป็นเสียงประชาชนแซ่ซองแซองสาทุกการต่อการวินิจฉัยคดีของท่านปุโรหิตเมื่อประราชสอบถามท่านปุโรหิตและประชาชนได้ความเช่นนั้นแล้วก็แต่งตั้งให้ปุโรหิตมีหน้าที่เป็นผู้พากษา โดยไม่ให้การลากาัดเสนาบดีพิพากษาต่อไปก า, กาศศรลกัดเสนาบดีเมื่อไม่ได้กินเสร็จกินเลยเช่นนั้นมันก็ขาดแคลนเงินลงไปเกิดดิษยาเกิดความขับแคลนโกรธเกิดเครื่องกับผานรีผานขวางก็สืบสาวไปแทนที่จะวิเคราะห์ตัวเองก็วิเคราะห์ว่าผลประโยชน์ที่แกเสียไปนั้นเพราะธรรมทัตก็เข้าไปเพชทูลยุยงส่งเสริม พระราชาให้วันไหวในชั้นแรกก็บอกว่าธรรมทัตส่องสมผู้คนเพื่อแย่งราชสมบัติพระราชาก็ตะเพิดไล่ไปไม่พูดเช่นนั้นโปร่งเชื่อในความสุจริตของธรรมทัตทีนี้ต่อมาจากการกระทําดีของพระธรรมทัตในของปุโรหิตธรรมทัตเนี่ย ทำให้ไปที่ไปไหนมาไหนไประชาชนก็อยากจะดูอยากจะชื่นชมเวลาท่านมาเข้าฝ้าพระเจ้าแผ่นดินหรือไปโรงเป็นที่พิพากษาประชาชนก็ค้อมล้อมการระกาศเสนาบดีเห็นได้ทีก็สวมรอยเลยเพราะว่าถ้าพระเจ้าแผ่นดินไม่เชื่อเนี่ยให้มองดูทางช่องประกแศดูว่าธรรมทัดท่องสูงผู้คนไปมากขนาดไหน นี่ขนาดว่าทำงานที่ศาลเนี่ยคนยังมีมาห้อมล้อมมากขนาดนี้คนที่ยังไม่มานั้นมีมากยังไงประชาก็อ่อนไหวเพราะเห็นคนมากเหลือเกินในสุดก็ชักจะคล้อยตามการะกะก็ทุนยุโยงให้รีบประหารเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมประชาบอกว่าทำอย่างนั้นไม่ได้ มันไม่มีความผิดอะไรปรากฏจะไปทำไปฆ่าเขาเฉยๆได้ยังไงการลกเสนะอกาล ก, ารรากาเสนาบดีก็เสนอให้มอบหมายงานที่ทำไม่ได้ให้ทำพอทำไม่ได้แล้วก็จะฆ่าประชาชก็ตกลงเรียกมาเรียกปุโรหิตมาคราวแรกก็สั่งให้ตกแต่งอุทยานประดับประดาให้สวยงามก็จะออกไป ชมอุทยานในวันพรุ่งนี้แต่าทาให้เสร็จก็จะประหารธรรมท้าพอได้ยินคำสั่งเช่นนั้นท่านก็บอกว่าพรุ่งนี้พระองค์คอยดูก็ด้กระกาทาได้หรือทาไม่ได้จะได้ท่าน ก, กลับไปก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะอุทยานมันใหญ่โตเหลือเกินจะให้ทามันเดียวทำได้ยังไง็ด้วยปญญาธิ่การของท่านท้าสกะเทวราชทราบเหตุก็ลงมาสอบถาม แล้วก็บอกว่าไม่ต้องทุกท่านจะจัด ก, การให้เองในสุดท่านก็จัด ก, การด้วยเทวานุภาพให้อุทยานเป็นไปาตามที่ประชาชาต้องการรุ่งเช้าประชาชนไปเห็นอุทยานเป็นเช่นนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ปรึกษาใหม่กับกา ร, ระกะเสนาบดีกา ร, ระกะกาเสนาบดีบอกว่ามันมีอุทยานแล้วมันต้องกุดสะบกรณีเพระกันให้ขุดระบกรณนีสวยงามเจ็ดสระให้เสร็จในคืนนี้ ถ้าไม่เสร็จก็จะค่ายอีกประอินก็มาช่วยไปอีกเอาใหม่บอต้องสร้างเป็นเรือนยอดประดับประดาให้สวยงามมิจิตพิสดารให้เสร็จในคืนนี้ประอินก็ช่วยอีกตกลงว่าสามครั้งนี้มันทาอะไรไม่ได้เป็นเทวานุภาพเข้าไ่ช่วยกรณะกาศเสนาบดีบอกว่าไอ้นี้มันเกิดขึ้นจากเทวานุภาพตอนนั้นเราต้องเอาใหม่ ให้ปุโรหิตหาคนที่ประกอบด้วยองค์สี่มาเป็นคนเฝ้าอุทยานเพราะประดับประดาไว้สวยงามแล้วอันนี้ใครสร้างไม่ได้เทวดาก็ช่วยไม่ได้ธรรมัศตุเองก็ทําอะไรไม่ได้ธรรมัศตุพอไปถึงท่านก็รู้นะว่าตอนนี้พระอินทร์ก็ช่วยไม่ได้แล้วท่านเองก็ไม่รู้จะหาคนประกอบองค์สี่ที่ไหนเหมือนกันเลยก็หลบเข้าไปในป่า ไปคิดคนถึงธรรมะของสัตบุรุษถือมองดูการเกี่ยวข้องกับคนผ่านการเกี่ยวข้องกับสัตบุรุษศึกษาธรรมของสัตบุรุษก็นั่งซึมคิดจ้ะอินก็ปลอมตัวเป็นพราหมณ์เข้าไปถามดังคาถาที่กล่าวในตอนต้นคาถาแรกที่ท่านได้ถามว่าท่านมานั่งบซบเศ้าอยู่ในป่ามีความผิดฝังอะไรหรือท่านเสียอกเสียใจอะไรจึงมานั่งบซบเ้าอยู่ในป่าเช่นนี้ พระโพธิสัตว์คือธรรมทัตปุโรหิตก็กล่าวว่าข้าพเจ้าทิ้งบ้านเมืองเข้ามาอยู่ในป่าเพื่อจะค้นหาธรรมของสัตว์ปรุษจึงมานั่งอยู่โดดเดี่ยวในป่านี่นก็คือคําในตอนต้นท้าสกฤตเทวราชก็แสดงพระองค์บอกว่าเรื่องอื่นเคยช่วยมาแล้วมันช่วยได้แต่ว่าเรื่องนี้ช่วยไม่ได้แต่ท่านก็จะบอกให้ว่าคนที่ประกอบด้วยองค์สีนั้นคือใคร จัตตปาณิช่างการระบบนั้นเองประกอบด้วยองค์สี่พ้ก็ขอให้ไปกราบทูลพระราชาให้ตั้งจัตตาปาณิเป็นคนรักษาอุทยานก็หมดเรื่องพระโพธิสัตว์ก็เข้าไปหาจัตตาปานิก็ถามว่าท่านเป็นคนประกอบด้วยองค์สี่จริงหรอือจัตตาปาณิบอกว่าใช่ท่านประกอบด้วยองค์สี่ลูกอิจ้าก็ น้ำจะตาปานิไปเฝ้าพระราชาแล้วกราบทูลว่าขอให้พระองค์โปรดตั้งชัตาปานิช่างการระบบนั้นเป็นผู้รักษาอุทยานพระท่านประกอบด้วยองค์สี่เมื่อพระราชากราบรับสั่งถามมาท่านประกอบด้วยองค์สี่จริงหรือท่านก็รับถามมาองค์สี่นั้นคืออะไรจัตตาปานิก็กราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนเห็นโทษของความริษยาจึงไม่ริษยา เห็นโทษของความรักจึงไม่รักเห็นโทษของสุราจึงไม่ดื่มสุราเห็นโทษของความโกรธจึงไม่โกรธข้าพุธเจ้าก็ประกอบ้วยองค์สีเหล่านี้พระชาก็เกิดสนประทัยนะพระองค์สีนี้ไม่รู้อะไรเหมือนกันไอาการะกะาเสนาบดีก็ไม่ได้บอกว่าองค์สีคืออะไร แล้วท่านธรรมทัตปุโรหิตเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าองค์สีมันคืออะไรกันแน่พระราชาก็รับสั่งถามว่าทำไมท่านจึงไม่ริษยาจตตาปา น, นิก็บอกว่าเพราะข้าพระองค์มองเห็นโทษของความริษยาที่มีการเบียดเบียนทําลายล้างรุนแรงเหลือเกินแต่ข้าพระองค์จึงไม่ริษยา อธิษฐานใจเอาไว้ว่าแต่นี้ต่อไปจนบรรลุอรหัตจะไม่ริษยาใครแต่นี้มันคือเรื่องของธาตุที่ว่ามานี่คือธาตุในภายในใจทั้งหมดเลยแล้วก็ถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นคือท่านท่านเป็นคนระลึกชาติได้นะท่านบอกว่าในชาติปางก่อนนั้นท่านเคยเป็นพระราชาแล้วมีลูกชายเป็นพระโพธิสัตว์ ลูกชายมีรูปร่างสวยงามมากพระสนมกนันนายเป็นอนมากมีพระเทวีองค์หนึ่งก็เกิดชอบใจในพระโอรสของพระองค์ก็พยายามประลาบปรลมเพื่อให้ราชโอรสของพระองค์นั้น เ, เกี่ยวข้องกับนางแต่พระพราชโอรสไม่ยอมแกก็ใส่ความใส่ความให้้ายป้ายสีจนพระราชาตาลายจับลูกชายขังคุก กับบริวารตั้งหกิบสีคนด้นในที่สุดดางคนนี้เทวีคนนี้ก็ปลูกมัด ร, ระราชาวไว้ไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นเพราะริษยาคนอื่นแล้วก็อยู่ไปแล้วก็ไม่ได้ความสุขต่อมาเมื่อสืบสาวต้นเรื่องกันจริงๆพระโอรสที่แจงให้สงสารว่าอะไรเป็นอะไรท่านก็มองเห็นว่าเรื่องนี้มันเกิดจากริษยา ที่คนดีๆ น, นถูกทำลายเพราะความริษยาไปเป็นนั้นมากและท่านเองซึ่งเป็นราชาที่มีธรรมมันก็พลอยถูกเปรยวริษยาดึงเข้าไปสู่วงไพยบู์ด้วยทำลายล้างคนอื่นเป็นนั้นมากแล้วก็รับสั่งให้ปล่อยราชโอรสพร้อมด้วยบริวาร64คนออกมาพอเห็นโทษริษยาเช่นนี้ก็อธิษฐานใจ ว่าตั้งแต่นี้ต่อไปจนกว่าจะบรรลุอรหัสนั้นจะไม่ยอมให้ตัวเองตกอยู่ภายใต้อำนาจของฤาษาอีกต่อไปประการต่อไปก็คือเรื่องว่าทําไมจึงไม่ดื่มสุราท่านบอกว่าเพราะข้าพเจ้าเห็นโทษของสุราที่มีลักษณะล่างผลาญรุนแรงเช่นเดียวกันจึงไม่ยอมดื่มสุรา นี่ก็เป็นเชื้อภายในใจเช่นเดียวกันคือท่านบอกว่าในอดีตการนั้นท่านเคยเป็นพระราชาอาหารที่ขาดไม่ได้นั้นคือเหล้ากับเนื้อทุกมือที่เสเวยพระกยาหารจะต้องมีเนื้อและมีเหล้าถ้าไม่มีเนื้อก็ไม่ไม่เสเวยกันทีเดียวต่อมาวันหนึ่งเป็นวันโนโบสด วันปักทั้งก็ถือกันมาตั้งแต่โบราณนะฮะกึ่งเดือนกลางเดือนกึ่งเดือนออไม่มีเนื้อขายพวกเจ้าหน้าที่ก็หาเนื้อไม่ได้เราไม่รู้จะทํำยังไงจะนําอาหารเข้าไปถาวายก็ไม่มีเนื้อรัวก็เลยไปปรึกษากับพระเทวีว่าจะทํำยังไงดีหาเนื้อไม่ได้เลย พระเทวีบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพระราชโุรสนั้นกำลังเป็นที่รักโปรดปรานของพระราชาเราจะตกแต่งประดับประดาราชอุรสทึ่กำลังน่ารักเนี่ยให้เข้าเฝ้าเสีย ก, ก่อนแล้ในขณะที่พระองค์ชื่นบานชื่นชมอยู่กับการหยอกล้อพระราชอุรสเนี่ยให้เจ้าเชิญเสวยให้เจ้านําอาหารเข้าไปพระราชาก็เจ้าหน้าที่ก็นําอาหารเข้าไปในขณะนั้น แต่พระอาจารย์ในขณะที่ชื่นชมอยู่กับราชโอรสก็สเสวยสุราอยู่ด้วยเต่ว่าไปหยอกล้อลูกไปก็เมาพอพวกนี้นำอาหารเข้าไปถวายรับสั่งถามว่าไม่เห็นมีเนื้อเขาบอกไม่มีเนื้อก็มังเมาแล้วก็ปรับผสมกับความโกรธก็จับลูกชายบิดคอโยนโครงลงมาบอกเอานี่เนื้อเอาไปทํามาพวกนี้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็ปรุงอาหาร ด้วยเนื้ออรสให้เสบยพระชาส่างเมาตื่นบรรทมเรียกหาโอโหรในขณะที่พระเทวีกำลังร้องให้อยู่พระเทวีก็กราบทูลว่าโรงเสบยเนื้อโอโหรเสร็จแล้วจะหาอรหสมาจากไหนมันล่าความตั้งแต่ต้นพระชาเกิดสลดพระทัยมากว่าเพราะอำนาจสุราแท้ๆ ท, ที่ท่านทำผิดซ้ำซ้อนหลายครั้งมันก็เลยอธิฐานใจว่า ตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปจนกว่าจะบรรลุอาราหันต์เนี่ยจะไม่ยอมจะไม่ยอมดื่มสุราเปนะะ็นอันขาดทีนี้ในด้านของความโกรธว่าทําไมท่านจึงไม่โกรธท่านบอกที่ไม่โกรธน่ยมันเพราะว่าท่านบําเพ็ญเพียรและวบังเกิดเป็นพรหมซ้อนๆกันท่านใช้คําว่าสังวัตตกับกบวิวัตตกับมา น, นานนันเกเลยนะไม่รู้นับตัวเลขยังไง สังวาตกะับกั บ, บวาตากับคือจะเป็นพรหมแล ะ, จะเจริญฌานอยู่ด้วยมันก็เป็นเมตตาเจตุวิมุตต์คือภายในใจมันมีเชื้อเมตตาคืออภยาบาทรนะอภยาบาทรธาตุเชื้อของเมตตาฝังอยู่ในจิตสันดานมากจึงไม่โกรธอันนี้เป็นผลโดยตรงคือเชื้อโดยตรงไงอะการต่อไปก็คือไม่รักว่าทาไมไม่รัก ท่านบอกวันนี้ก็เป็นเรื่องของอดีตขวางใจอีกอย่างหนึง่งคือในชาติหนึ่งท่านก็เคยเกิดเป็นพระราชาเหมือนกันต่อมาก็มีพ ร, ราชโอรสพระองค์หนึ่งในขณะที่พ ร, ราชโอรสประสูตินั้นโหรทานายบอกว่าราชโอรสจะตายด้วยด้วยไม่มีน้ำดื่มพระราชาก็เป็นห่วงเป็นยายราชโอรส ไปที่ไหนจะต้องวางน้ำไว่เรื่อยเลยภายในวางในน้ำเกินไปหมดเลยวางไว้ทุกขนทุกแข่งแล้วก็สั่งให้รัชสัดรขุดบ่อน้ำไว้ในบ้านในเมืองทุกขนทุกแข่งเหมือนกนัก น, กนบริเวณใกล้ๆทางเดินเผื่อราชอุรสจะเดินไปจะได้มีน้ำดื่มจะไม่ต้องตายราชออรสคนนี้ก็ได้รับการโอ้อกใจมากแต่ก็ชื่อน่าเกลียดนะชื่อวทัทถกุมาร ทุตตะแปล ว, ว่าประตูสลายชื่อว่าทุตตะกุมารแก่ก็ทุตตะสมชื่ออันถ า, านสมชื่อเหมือนกันเจ้าเกกะละรานชาวบ้านชาวช่องเขาวุ่นไปหมดแล้วใครก็ไม่กล้าทําอะไรต่อมาวันหนึ่งพระบาทเจ้าพุเทธเจ้าพระองค์หนึ่งเข้าไปประทับอยู่ในอุทยานราษฎรรู้ข่าวว่ามีพระบัจเจ้าพุเทธเจ้ามาอยู่ก็แข่แขนกันไปเฝ้าถวายอาหารฟังธรรม พระราชกุมารเสด็จนั้นคนไม่หันหน้ า, า ห, นหันหน้ามาดูเลยก็เฝ้าพระประเจ้ากับพุทธเจ้ากันเจ้าพระ จ, จุมารกริ้วมากเลยบอกราชสเดิพวกนี้ขนาดเห็นเรายังไม่ถวายบังคมไปห้อมล้อมคนหัวล้านอยู่เลยก็พุ่งเข้าไปชี้หน้าพระประเจ้ากับพุทธเจ้าแต่ถามว่าท่านรู้ไหมพระเจ้าเป็นใครก็ชาดบาดพระประเจ้ากับพุทธเจ้ามกฟาดโครวมลง ไปเจอพระพุทธเจ้าก็พิจารณาบอกโอ้คนนี้ทำบาปหนักนะแล้วทา่านก็เพื่อยุติบาปนะท่านก็ลอยขึ้นบนอากาศกลับภูเขาคันธามาตจากจุดนั้นแรงกเกินก็ปรากฏว่าไอ้น้ำบริเวณนั้นมันเกิดแท่งไปหมดเลยโดยบาปกรรมบันดาลกุมารหันไปเกิดความเล่าร้อนอย่างรุนแรงขึ้นมาภายในกาย เราหาน้ำดื่มก็ไม่ได้ในที่สุดก็ดิ้นโดนกระเสือกกระสนใครไปหาน้ำที่ไหนก็ไม่ได้ก็เลยก็ตายพระราชาสเสด็จมาทราบว่าโอรสตายไปในลักษณะนั้นท่านก็เกิดความสลดใจแล้วก็ไม่เสียใจเพราะลูกคนนี้ทั้งๆ ท, ที่ท่านรักมากลเลยเกินแต่ว่าลูกท่านไปทำความผิดขนาดนี้ ท่านก็ไม่ยอมรักอีกแล้วเพราะเห็นว่ารักนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความโศกแล้วก็บางทีมันก็กรอบกอ้อยเกิดเป็นความหลงคือตามใจลูกจึงเกินไปในที่สุดก็ไม่รักในขณะที่เจตตปานิเล่ามาถึงตรงนี้ก็เห็นว่าเจตตาปานิมีธรรมครบสี่ประการจริงๆประชาก็ให้สัญญาณแก่คนของท่าน ให้จัดการการละกะเสนาบดีประชาชนที่เคารพนับถือท่านธรรมทัตอยู่ก็เฮโลสารพากันมาจับการละกะเสนาบดีแล้วก็รุมประชาทานกันจนตายประชาชนก็อยู่ในอบาทของพระโพธิสัตว์ปกครองราชโดยธรรมตั้งแต่นั้นมาเมื่อชีวงคตไปแล้วก็ได้เป็นไปาตามยาถากรรมแล้วก็อุปมาเอ๊ ก็ทรงสรุปบุคคลในคราวนั้นว่าธรรมทัศก็คือพระองค์จตตปานิก็คือพระสารีบุตรพระราชก็คือพระอานนท์การลกษ์เสนาบดีก็คือพระเทวทัตในในในชาติปัจจุบันคือว่าชาติสมัยพระพุทธเจ้าชาดกข้อ น, นี้ท่านจะเห็นว่ามันก็ซ้อนๆกันหลายชาดก แต่ก็มีคติที่น่าศึกษาอยู่หลายตอด้วยกันประการแรกคือการล่างพรานเบียดเบียนของระเทวทั์ที่กระทำต่อพระพุทธเจ้าในสมัยต่างๆนั้นที่จริงมันก็เริ่มมาจากชาดกเสรีวะวานิชชาดกเป็นการผูกอาฆาตพยาบาทกันเรื่องกิจการค้าแต่นั้นเองก็ไม่น่าจะลามปามใหญ่โตขนาดนั้น จะเกิดมาจากพ่อค้าไอ้เครื่องประดับเร่สองคนคนหนึ่งก็คือต่อมาก็เกิดเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่ว่ากันหลายแสนชาตินะฮะข้ามาจังกว่าจะถึงนี่คนหนึ่งก็คือที่กลับมาเป็นพระเทวทัตน์ก็ไปเรื่องไปเรื่องถาดไปเดียวมันถาดในะกุลเศรษฐีเป็นถาดาเศรษฐีเก่าแก่ผู้ ด, ดีเก่าแต่ก็ตกยากในตอนหลังมีถาดทองอยู่ เมื่อพอค้าลูกเครื่องประดับไปหลานสาวก็ต้องการจะอยากได้แต่ก็ไม่มีเงินอยู่กันสองคนยาย ก, กับหลานยายก็สงสารหลานก็เอาถาดมาแลกลูกปัดพอค้าเอาเล็บขีดดูเห็นเป็นทองก็คิดจะโก่งราคาบอกว่าเห็นนี่ถาดนี่ไม่มีราคาอะไรมันแลกไม่ได้คือทําทีจะให้ เ, เขาอยากได้มากแล้วจะกลับมาแล้วก็กดราคาเพื่อจะให้ลูกปัดนิดหน่อยแล้วจะเอาถาดทองไปทั้งถาด ต่อมาพ่อค้าอีกคนหนึ่งมาเหมือนกันพอเห็นข้าวจะบอกไว้เครื่องประดับของแกมันไม่มีพอที่จะแลกาถาดนี้มันเป็นถาดทองยายก็เห็นว่าเป็นคนซื่อสัตย์เลยก็ให้ถาดได้จะให้อะไรก็ให้พ่อค้าก็เอาถาดไปแล้วของทั้งยานที่นำมาในให้ทั้งหมดไอ้คนที่มาทีหลังทำเสแยแซกมาจะมาซื้อยายก็ด่าเอา แกพอรู้ว่าพ่อค้าอีกคนหนึ่งซื้อไปก็ไล่ตามไปมันก็ข้ามน้ําอ่ะคนน้องก็ข้ามน้ําไปฟากหนึ่งเสร็จแล้วเรือมก็ไม่มีเรียกให้กลับมาก็ไม่ยอมกลับโดยโกรธอาฆาตพยาบาดก็กรรมทรายขึ้นมาอธิษฐานขอจองล้างจองฐานท่ามาเล็ดทรายกรรมมันก็มามากแล้วก่อนกรรมมากเกินไปก็เลยจองล้างจองฐานกันมากหน่อยแต่ที่ปรากฏในชาดกจริงๆนั้นก็ไม่ใช่ทุกชาติหรอกมันก็มีเพียงห้าสบแดชาติ ไม่ได้มีทุกชาติถึงห้า้อยหาสิบชาตินะนี่ว่ามันมีเพียงเพียงห้าสิบทปดชาติานั้นเองแต่ก็เรื่องที่ไม่เล่ามันก็ไม่เล่านะฮะเพราะว่าที่นำมาเล่านั้นเล่าประกอบพระธรรมเทศนาทนนั้นเองเออทีนี้มาถึงเรื่องของความเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมรเอตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยๆก็แสดงว่า ในสมัยโบราณนั้นไม่ได้กำแนกตำแหน่งไว้โดยเฉพาะว่าคนนั้นจะมีตำแหน่งอย่างนั้นคนนี้จะมีตำแหน่งอย่างนี้หรือบางครั้งคนที่ตำแหน่งสูงกว่านั้นสามารถที่จะไปทำงานซึ่งไม่ได้อยู่ในสายงานของตัวเองได้ในสมัยพุทธกาลก็เคยปรากฏนะฮะพันธุระเสนาบดีก็เคยเข้าไปตัดสินคดีซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้พิพากษาแต่ว่าก็เกิดตัดสินแล้วมายุติธรรมท่านก็ไปตัดสินตัวเองนี่ก็ มีลักษณะแปลกออกไปประการหนึ่งคือปุโรหิตสามารถไปตัดสินคดีได้ดูแล้วก็ไม่น่าจะไปได้แต่ว่าก็คงจะไม่ได้จัดอะไรไว้โดยเฉพาะแล้วปุโรหิตก็อยู่ในฐานะเป็นอาจารย์ของพระราชาสามารถทำหน้าที่เหล่านั้นลงไปทีนี้ไอ้ไอเรื่องของผลประโยชน์นั้นท่านทั้งหลายจะพบว่าออพฤติกรรมของมนุษย์เราที่จริงกกมันก็ซ้ซ้ำักๆเป็นพฤติกรรมซ้าซ้อน เมื่อฝ่ายหนึ่งสูญเสียผลประโยชน์ไปก็ต้องมองอีกฝ่ายหนึ่งเป็นศัตรูไม่ว่าคนนั้นจะทำดีอย่างไรก็ตามแต่ว่าเมื่อรู้สึกว่าไปขัดแย้งไปทำลายผลประโยชน์ของตนก็จะถูกมองเป็นศัตรูก็เป็นเรื่องอะไรบ้งเกิดจากโทสะโมหะอย่างที่เคยแสดงแนวอาคาตวัตถุไว้นะฮะอาคาตวัตถุที่ทรงแสดงว่ามี9้านั้นคือข้อสุดท้ายในแต่ละชุด มันก็เป็นเรื่องแปลกว่าคนก็ทำดีแต่เราก็ไปอาฆาตเขาเพราะการกระทำดีนั้นเป็นการกระทำดีต่อคนที่เราไม่ชอบหรือไปขัดผลประโยชน์ของเราการละกาศเสนาบดีมันก็แนวนั้นแทนที่จะมีการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวเองเพราะการที่ตัวเองถูกออกจากตําแหน่งนั้นเพราะไม่ทำหน้าที่ให้สุจริตยุติธรรม มาก็โยนแมะไปให้ที่คนอื่นออซึ่งเรื่องนี้เป็นปัญหามากวันก่อนนี้มีคนผู้หนึ่งครับคือท่านรู้สึกว่าจะมีปัญหาหัวใจมากดูตาเศร้าซึมเมื่อเกิดก็มาขอให้ช่วยแก้ปัญหาให้ก็คุยคุยกันหน่อยนะแล้วมามันชักจะจับทางได้สิแล้วเนี่ยคือคุยไปหน่อยเราก็เล่านิทานประเทศไว้แก่ควา แกค้านเย็นเย็นเลยไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นบอกไม่ใช่ในฉันเล่านิทานนะเนี่ยไม่ในเรื่องของคุณอ่ะคือมันถูกใจดํามข้าวถูกใจดําแกข้าวในเรื่องเหมือนเหมือนกันแล้วก็เพื่อนก็บอกอย่าปากแข็งนะอย่าปากแข็งคือมันมันเรื่องมันสูตรง่ายๆนะมันสูตรง่ายๆธรรมดาธรรมดามันดูหน้ามันดูจะเล่านิทานออกซะแล้วเนี่ยมันคุ้นๆกันไปอันนี้เพราะอะไรเพราะเราไม่วิเคราะห์ตัวเองไปมุ่งวิเคราะห์ต้อจะแก้ไขคนอื่นไปโทษคนอื่นไปหมดเลย ก็แนวของการละกะเสนาบดีทีนี้มันเกิดนั้นก็เกิดจากอะไรฮะเกิดจากความโลภพอโลภแล้วไอ้สิง่งความโลภนั้นไม่ได้มีการตอบสนองมันก็เกิดโกรธเกิดโกรธเกิดโกรธต่อไปเปนกฤติยาฤยาก็ออกมาในรูปโมหะคือไม่เห็นอัดเห็นทำแล้วก็วางแผนทําลายก่อนกิเลสมันก็เดินเต็มกระบวนของมัน แลแกก็ชั้นเชิงไม่ย่อยเหมือนกันคือวางแผนในการทําลายทีนี้ประเด็นนั้นประเด็นท้าสกมามาเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาข้องใจคือมันน่าข้องใจอยู่ทั้งสองประเด็นที่จริงคือประเด็นบาปสูงสุดกับความดีสูงสุดเนี่ยความดีระดับโลกโลกว่ามีคนเป็นอันมากที่เทวดามาช่วย คนในปัจจุบันก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเราทำไมเทวดาไม่ช่วยมันต้องวิเคราะห์ตัวเองว่าความดีเราถึงขั้นเทวดาช่วยหรือเปล่านี่คือประเด็นที่จะต้องวิเคราะห์นะฮะประเด็นที่เราจะต้องวิเคราะห์คล้ายๆกับเราไม่เห็นคนถูกธรณีสูบเพราะว่าที่จริงคนทําบาปในปัจจุบันนั้นไม่ถึงจุดที่ธรณีสูบอย่างสมัยพุทธกาลธรณีสูบมีอยู่ห้าคนแต่เราดูบาปที่เขาทาในคนในปัจจุบันนี้ไม่มีใครทาถึงนั้น ถึงแม้จะล่างผรานยังไงก็ตามคือไม่ไปถึงกับอะไรธรณีสูบนี่ข่มขืนพระอรหันนะฆ่าพระอรหันนะทําโลหิตตุปบาทนะปทุสรายพระเจ้ามันมันมั น, ม, นมันไม่มีใครไปทําขนาดนั้นน่ะเพราะฉะั้นใน ต, ตัวอย่างที่จะให้ถูกธรณีสูบมันก็ไม่มีและตัวอย่างที่จะเทวดามาช่วยแก้ปัญหาให้ความดีระดับนั้นมันก็หายากมันก็ไม่มีกัน เลยตัวอย่างแบบนี้จึงขาดแคลนเพราะขาดแคลนคนก็ไปประเมิอนออกจากภาสาทสัมผัสเลยก็ตัดสินไม่มีไปหมดไลยถ้าเรามาวิเคราะห์ถึงบารมีของคนระดับพระโพธิสัตว์แม้แต่เอาเฉพาะปัจจุบันนั้นท่านก็ทำความดีไว้มากเหลือเกินแล้วก็น่าที่เทวดาจะมาช่วย เ, เรื่องเหล่านี้ที่จริงถ้าเรามองถึงท่านบางคนนะะ อย่างพระครูปานที่ไปซ่อมพระาธาตุที่นครก็เล่าความก่อนเกิดนะฮะแต่ว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นกล่าวให้มากฟังท่านบอกเป็นเรื่องอัศจรรย์มากท่านผู้นี้มีชีประขามาบอกอยู่วัดราชบูรณะเนี่ยบวชสามรญศาท่านั้นเองมีชีประขาวมาบอกว่าให้ท่านไปช่วยซ่อมพระาธาตุเมืองนครให้แล้วท่านบอกซ่อมยังไงเอามาบวชสามรษศาท่านเองอย่งางพระหนุ่มบอกไม่เป็นไรโ ย, ยมจะช่วย เดี๋ให้เดินไปท่านเดินไปทุกจุดที่รู้สึกว่าเหนื่อยต้องการพักต้องการดื่มน้ำอะไรเนี่ยจะมีที่พักให้ตหลอดแต่พอเดินเลยไปหันกลับมาไม่มีแล้วมันเรื่องเฉพาะของแกนะฮะแล้วพอแกไปทําอยู่ทําอยู่สามปีเนี่ยเอ่อตาคนนี้ตอนนั้นเก้าอายุอายุแปดสิบป่าได้ที่เล่ารั้งเนี้ยแกบอกว่าแกทําอยู่ใง น, นั้นด้วยแกอายุสิบเจ็ดบแปดไปตัดไม้ทางเหนือตัดไม้กองไปแถว หาพามาไม่ได้ไม่มีน้ํามาบอกหลวงพ่อบอกว่าเอามาไม่ได้ในคลองไม่มีน้ําท่านบอกว่าเดี๋ยวมาเองบอก้อนฝนตกอย่างแรงเลยตรงนั้นนะตกน้ําท่วมเจิงไม้ลอยมาลงมาทางเหนือหมดเลยพอมาถึงหน้าวัดอีกท่อนหนึ่งมุนปรับขวางคลองไม้อื่นก็มาถึงก็ติดติดติติ ต, ต, ติอยู่หน้าวัดนั่นเองของขาดหันหน้าไปทางไหนเ ว, เวลาท่านยืนเนี่ยท่านคนมาบอกว่าของขาดหลวงพ่อ ข, าข้าวสารขาด อาหารขาดเครือขาดอะไรต่อะไรเนี่ยท่านยืนหันหน้าอยู่ทางไหนนั่นของจะมาจากทิศนั้นสามปีแต่ไม่ยู่อามปีแต่เองนะทางบ้านเมืองก็กลัวจะเป็นผีบุญเลยส่งเทพธิดาไปทําลายตบาบะเสร็จเลยศึกกลายไปหลวงพ่อเข้าวัดไปไอเรื่องส่งเทพธิดาไปทําลายตบาบะฤษีนี่มีมาตั้งแต่นูนะ้นตั้งแต่โบราณถึงปัจจุบันเอ เพาะั้นเรื่องเหล่านี้เราก็ต้องยอมรับว่าเกิดขึ้นแก่ผู้มีบุญจะมบผู้มีบุญซ้ำมาผู้ไม่มีบุญก็สัมผัสไม่ได้ก็ต้องยกถวายท่านไปประเด็นที่น่าศึกษาก็คือเรื่องของธรรมะที่ประกอบด้วยองค์สี่นะฮะแต่ว่าไอ้จุดของการนิสยาท่านจะเห็นว่ามันผ่านรีผ่านปางมันมันมันลามปามลักษณะกิเลสมันมีความลามปาม ไม่ได้โดยเล่ก็เอาโดยโกนไม่ได้โดยโมนก็เอาดาา้วยคาถาอย่างที่สูตรคนไทยก็ว่ารามปามเพราะว่าใจมันถูกโมหะข้าวครอบงามากเกินไปแล้วก็ทำให้เสียหลักโดยไม่ลืมหูลืมตาพระราชาก็เป๋ไปนี่ก็ลักษณะอย่างหนึ่งของผู้ใหญ่นะลักษณะอย่างหนึ่งของผู้ใหญ่คือจะปรารบตัวเองถ้าอะไรที่มันกระทบกระเทือนต่อสถานะของตัวเองแล้วก็ออกจวับไป เวลาเข้ามาพูดเขาจะพูดถึงตัวท่านคือท่านจะเสียสถานะผู้ใหญ่ที่กลัวที่สุดคือเล็กลงคือคนอยู่สูงนี่กลัวจะลงตามนี่กลัวมากที่สุดเลยพวกนี้แต่ไม่รู้ว่าเวลาเวลาเอาก็จริงๆมันต้องลงลงเมื่ก่อนที่ไปสระ บ, บุรีมันได้อนุสติพอเห็นลงขึ้นมาแม่นั่งนึกไอ้เราในต่อไปบางคงจะอยู่ขนาดนี้นะกติที่นอนอยังว่างอยู่แยะด้วยในลงนั่นเอาของอะไรใส่ไปได้เย ะ, สะแสดงว่าบ้านจริงๆก็มีนิดเดียวเพื่อนเผาะซะด้วยในเรื่องมัน เดังนั้นพระราชานะพูดเรื่องอื่นท่านท่านไม่ค่อยเดือดร้อนนะฮะเราจะเห็นว่าพอพูดถึงสถานะท่านนะท่านเดือดร้อนนันทีนี้ก็คือวิญญาณนะวิญญาณผู้ใหญ่ในผู้มีอํานาจทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าใครก็ตามถ้าจะเอาอะไรจากท่านนั้นต้องพูดถึงอํานาจของท่านท่านจะต้องอยู่ท่านจะต้องเจริญท่านจะต้องรักษาไว้แล้วก็รู้สึกว่าจะพูดได้เวลาเนี้ยมันคือปัญหาที่ ที่เรามีอยู่มากนั้นเราจะพบว่าคือหลักของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านทำเพื่อคนอื่นทำออกก็ททำให้แต่ว่ากระรอมก็ทำทาเพื่อเราทำเพื่อเชิดชูตัวเองเช็นว่าจะไอ้พระเนนบวชเข้ามาอย่างเงี้ยก็ต้องอยู่รับใช้ฉันต้องอยู่กับฉันทาทางานให้ฉันแต่ไม่ใช่วิธีพระพุทธเจ้าของวิธีพระพุทธเจ้าเนี่ยทำเพื่อประโยชน์เพื่อกูนความสุขแก่เขา มันสวดทางกันอันนั้นทางธรรมอันนั้นทางอ็นนี้น ท, านนนทางกิเลสเลยก็เป็นปัญหาเพราะงั้นพระราชามันก็จุดไฟกิเลสได้ง่ายมากกลัวว่าฐานะตัวเองจะเปลี่ยนแปลงพระอินทร์พระเอิญก็ตบะเทือนทั้งนั้นน่ยพวกมีกิเลสทั้งหลายเนี่ยถ้าว่าพูดเฉพาะตัวเองว่าตัวเองจะเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นไม่ค่อยมีปัญหานะครับ ท, ท่านท่านชอบแต่ว่าถ้าท่านจะลดตําแหน่งลงท่านก็ไม่ชอบนี่คือลักษณะของผู้มีอํานาจ ก็เป็นเป็นอะไรเป็นแบบเป็นตัวอย่างประกันเนี่ยต่อไปก็คือเรื่องของอะไรไม่ริษยาความริษยานั้นเกิดขึ้นจากการเห็นคนอื่นเขาได้ดีคนอื่นมีความดีมีความเจริญก้าวหน้ามีความสําเร็จแล้วคนเราก็จะริษยาเพราะริษยาจึงเป็นกิเลสประเภทที่มันแสดงตัวในรูปของของโลภะนะฮะ โลภะแต่จะถามว่าทําไมจึงริษยาถ้าวิเคราะห์ใจดูก็คือเราอยากได้เสเองท่านนั้นมันก็เกิดมาจากโลภะแต่ว่าอาการแสดงออกมาเนี่ยมีโทสะอยู่แยะนะมีโทสะอยู่แยะก็มีโมหะอยู่ก็แยะเหมือนกันแต่ว่าพึ่งของมันจริงๆมันมันเป็นพวกโลภะเพราะเราอยากได้เสเองเมื่อเราไม่ได้เราก็ริษยาคนอื่นที่จะได้าการกระทําในแนวนี้ ที่จริงท่านได้บทเรียนจากคนอื่นตรงนี้น่าเก่าน่าสังเกตนะว่าท่านได้บทเรียนจากการกระทําของบุคคลอื่นเดิดึงท่านเข้าไปสัมพันธ์แต่ไม่ได้เป็นตัวริษยาเองที่ชาตาปานนี้เขาเล่าชาติอดีตของท่านคือก็เห็นไอ้ความริษยาของพระเทวีของของพระ อ, องค์ในชาติก่อนนะของท่านในชาติก่อนว่ามันมันไอ้เพราะริษยาเนี่ยทำลายคนไปตั้งหกคน แล้วก็ดึงเอาพระราชาเขวไปไปด้วยด้วยแรงของฤิษยาทั้งๆที่ราชาก็มีธรรมะแต่ว่าถูกคนอื่นที่คริษยาก็ค้ายๆกับการละ ก, ละกักฤิษยาแล้วก็ดึงคนอื่นเข้าไปด้วยเพราะฉันเมื่อมองสืบสาวทั้งหมดกระบวนการของความภัยอันตรายทั้งหมดมันก็เกิดมาจากฤิษยาตัวเดียวเลยก็อธิษฐานใจที่จะไม่ฤิษยาอีกต่อไป พุทธศาสนาแสดงว่าความริษยานั้นทําโลกให้พินาศซึ่งท่านทั้งหลายจะพบว่ากระบวนการในการทําลายนั้นมันจะมีความริษยาอยู่อยู่เสมอแม้แต่ว่าเป็นศึกสงครามทําลายล้างการระหว่างค่ายต่อค่ายระหว่างปร ะ, ประเทศต่อประเทศกลุ่มคนต่อกลุ่มคนก็เกิดมาจากริษยาผสมอยู่เลยคือต้องการได้บางทีก็รู้ขา่าววาแหล่งนั้นมีน้ํามันเราก็ริษยาเขา เราอยากมีด้วยเราอยากมีเจ้เองมันก็ยกกองทัพไปยึดเขาอะไรเนี่ยตกลงว่านิสยาก็สร้างความพินาศความเดือดร้อนให้แก่โลกทีนี้เรื่องของอะไร น, น้ำเมาน้ำเมาตัวอย่างนี้ที่จริงปรากฏในชาดกเต็มเรื่องก็มีนะฮะปรากฏในชาดกคือชาดกนี่มันแปลกคือจะอ้างกันเองในชาดกจะอ้างชาดกกันเองบางทียกขึ้นมาอีชาดกหนึ่ง แล้วก็บอกสรุปไป น, นิดหนึ่งเราก็ต้องตามมาอีกชาดกหนึ่งเพื่อจะหาว่าไอ้ข้อความพิสดารมันอยู่ตรงไหนบางที่เราอ่านชาดกเดียวนะฮะแต่ต้องเปิดกันหลายเรื่องเพื่อจะเอาเรื่องมาประสานกันให้ได้ท่านจะอ้างไปอ้างมาอ้างมาแล้วก็ที่เยอะอ้างไวออ้ทีนี้เรื่องโทษของสุราในทางพระพุทธศาสนานั้นเราจะพบว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงในรูปของอบายยมุก สมรับสามัญชนนะฮะสมรับในแง่ของธรรมะแล้วแสดงในรูปของอบา ย, ย ม, มุขคือเป็นทางแห่งความเสื่อมไม่ได้จัดเป็นพวกกรรมกิเลสคือเครื่องอกรรมที่ทร้ามหมองหรือกรรมที่เป็นบาปแต่ในชั้นของศีลแล้วถือว่าผิดศีลเพราะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทอยาทำให้ขาดสติทาให้ผิดเป็นนั้นมาก ปัญหาเรื่องสุราจึงกลายเป็นปัญหาที่ออกจะน่าข่วงอย่างที่ในบ้านในเมืองเราปัจจุบันเนี่ยฮะเรามาเคยไปออกรายการโทรทัศน์อยู่รายการหนึ่งแล้วเลิกไปนานมันสู้ไม่ไหวครับมันแรงประทะมากเกินไปอ่าก่อนที่เราจะออกโทรทัศน์มันมีไอเด็กมาเต้นน่ยคงกลางคงกลา ง, ง, ง, ง, ง, งอะไรเนี่ยอะไรเองแกไม่รู้สามสิบนาทีต่างลั่นในหมดเลยเสร็จแล้วก็ขึ้นรายการธรรมะนะฮะพอจบรายการธรรมะโฆษณาเล่าแล้ว บอกมันไม่ไหวไม่ไหวธรรมะอย่างนี้รู้ไม่ได้เพราะมันมันคือมันบีบเราทั้งสองด้านอ่ะบีบทั้งสองด้านธรรมะไม่มีทางเข้าไปได้แล้วมันทวนกระแสะแรงเกินไปคือคือมันมันปะทะแล้วก็ปะทะอะไรไม่อยู่ในการในลักษณะนี้ใจคนเรียกว่าไม่พร้อมอ่ะไม่พร้อมที่จะรับกิจกรรมเหล่านี้จึงกลายเป็นกิจกรรมที่ ที่แก้ปัญหายากเหลือเกินคือทำยังไงถึงจะลดลงมาได้ต่นนั้นเองะพูดถึงจะแก้จริ ง, รงๆก็ดูแล้วไม่ไม่มีทางอะ่ะมันมีประจําสันดานของคือประจําโลกมาแล้วประจําโลกมาแล้วที่จริงถ้าเราดูความเป็นมาในแนวของาศาสนาเนี่ยเป็นการไปลอกเรียนสัตว์มาพวกสุราเนี่ยไปลอกเรียนสัตว์มา กินจากผลไม้แล้วก็ไปลอกเรียนอาการกริยาสัตว์มาแล้วก็ขึ้นไปศึกษามาจากการสะสมของเชื้อต่างๆของต้นไม้นิชาโกเขาเล่าไว้เหมือนกันว่าต้นเหตุสุราเนี่ยมันเกิดมาจากที่จริงมันไม่มีอะไรมันก็คือไอ้พืชพันธุ์ต่างๆที่มันตกลงในแอ่งน้ำแอ่งน้ําแล้วก็บนบนบนค่าครบต้นไม้ฮคือ พ, พวกนกพวกอะไรมันกินแล้วมันมันก็มาถ่ายมาทิ้งเอาไว้กองมะผ ม, มอยู่แล้วก็กลายเป็นเชือ้อนกกินแล้วก็ เมาเม au, แล้วก็ตกลงมานอนกลืนเสร็จแล้วพาสางเมาก็บินไปแล้วคนก็ไปเห็นเข้าเออชักชอบใจมาน่าเล่นนะเนี่ยเลยก็ขึ้นไปก็ชิมดูก็เอาอีกนะเอาอีกก็ศึกษาสูตรมันมีอะไรอีกบ้างแล้วก็เอากันมาปรุงมันก็มีพัฒนาการกันมาเรื่อยๆจนเนี่ยลดนิ่มรถนุ่มก็ว่ากันไปด้วยก็รู้สึกว่ายากมันเป็นกลุ่มผลประโยชน์ทีนี้มันก็อยู่ที่เราเราไม่ยอมมองให้ตลอดกระบวน ไม่ให้ในแง่ของโทษนั้นเราเรามองปัญหาเฉพาะหน้าคือเอาประโยชน์เฉพาะหน้าไม่ได้มองประโยชน์ที่ยาวนานอะ่ะถ้าเรามองในแง่ของการที่ยาวนานแล้วเราจะพบว่าผลได้นั้นไม่คุ้มกับผลเสียเลยเพราะมันทําลายสติปัญญาทําลายทรัพยากรสร้างอาชญากรรมสารพัดแต่เราก็แก้ไม่ได้มาย่างยังเคยยังเคยเสนอผู้ใหญ่ว่าไอ้ลดแอนกรอลไม่ได้เลย ทามันเป็นยาเด็ดฮะเขาบอกมันทําไม่ได้หรอกที่จริงเอามาว่าทาได้นะมันทําได้ไงคือเราคนยุคใหม่มันเหมือนกับสโมสรทหารแห่งหนึ่งคือนึกถึงสโมสรทหารแห่งหนึ่งไอ้ไอ้ผู้จัดการสโมสรเ น, นี่ยฮะแกเอาเล่าปลอมแม่ขงปลอมไปขายหลายปีนะฮะพอเปลี่ยนผู้จัดการไอ้ผู้จัดการใหม่มันก็ซื้อแม่ขงจริงไปขายทหารประท้วงว่าแม่ขงปลอม เพราะไงเพราไอ้สร้างรถอะมันเคยชินขึ้นมาสักรถอะเป็นยาได้เลยให้เป็นยาได้เลยก็เอาเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันกินเฉพาะพวกนี้ต่อไปมันก็รู้ว่าเล่าเองอะมันคิดว่าเล่าเองให้เป็นยาได้เลย <S <S ค, คือคือแทนที่เราเราจะเลิกเมื่อเราเลิกไม่ได้เราต้องใช้มันเป็นประโยชน์อะแต่ว่าก็นั่นแหะก็เรื่องผลประโยชน์มันกแก้ไม่ได้ทีนี้ปัญหาที่น่าคิดคือเมตตาที่เราสร้างฝังจิตสันดาน ของท่านชาติปาณินี์สร้างมานานนะฮะสร้างจนเป็นจิตสันดาลแล้วแข็งแกร่งไหลใจกระทบอารมณ์อะไรไม่หวั่นไหวเพราะงั้นท่านไม่โกรธไม่โกรดนี้เป็นเชื้อจริงๆเลยอโทสะธาตุจริงๆเลยเชื้อมากอย่างที่พูดเรื่องเชื้อกันมาสามครั้งเนี่ยเป็นเชื้อเป็นเชื้อของอโทสะ ท, ที่เต็มเปี่ยมเพราะงั้นเราดูลักษณะ น, นิสายคนได้เลคนเราก็มีเชื้อแตกต่างกันบางคนไม่ค่อยหวั่นไวหวหรอกคือใครจะว่าอะไรก็ไม่หวั่นไหวอะไร แต่บางคนไม่ได้นิดๆหน่นนอยๆก็หงดหงิดก็งุ่นง่านก็กลุ่มนะเมื่อวานนี่มีคนมาหาสองสามคนมาช่วยแก้ปัญหาแกบอกว่ากลุ่มมาดูหน้าแกแลยแกไม่น่ากลุ่มนะแกน่าจะเป็นเด็กรื่นเริงสนุกสนานแต่ว่าพอแกนั่งไปหน่อยเราเห็นว่าแกคุมความคิดไม่อยู่แกหลุกหลิกตลอดแกหลุกหลีกแกคุมความคิดไว้ไม่ได้ทําให้เมือม่อเมือ่อเมื่อกายมันแข่งกับใจก็แว่งแข่งก็สับสนสับสนก็กลุ่ม มันไม่เชิงกลุ่ ม, มวิต่ตกังวลพวกฟุ้งนะพวกอุธจากระนะ์พวกฟุ้งไม่รู้อะไรเลื่อนลอยช่วยใจจะไม่ยอมสงบอยู่กับจุดนั้นนี่ก็คือเชือ่อเชื้ออีกด้านหนึ่งมันมากเท่านั้นเองเพราะงั้นเมตตาที่เราสร้างฐานไว้โดยอาศัยหลักการอภัยการอดทนการข่มใจแล้วก็แผ่เมตตาตั้งความรู้สึกมุ่งดีปรารถนานดี โดยบางครั้งบางคราวก็ไม่จําเป็นที่เราจะต้องให้เขาได้ประโยชน์คืออย่างน้อยเราก็ได้ประโยชน์จะเราตั้งความรู้สึกหวังดีมุ่งดีต่อบุคคลอื่นซึ่งเขาอาจจะดีหรือไม่ดีนั่นก็เป็นเรื่องของเขาแต่ว่าอย่างน้อยใจเราก็มีธรรมะคือมีเมตตาเมตาก็กลายเป็นหลักคุ้มครองใจเมตตาเจโตวเมุติคือจิตที่หลุดพ้นจากความโกรธความพยาบาดความหงุดหงิดความไม่พอใจนะมันก็โกรดขึ้นเรื่อยมันก็กลายเป็นเป็นความเข้มแข็งทางใจ พอมีมากข้าวมันก็มีแรงประทะสูงหรือใครจะทำอะไรก็เฉยไม่ไม่ไม่รู้สึกเดือดร้อนหรือมีการโต้อตอบแต่ประการใดนี่ก็กลายเป็นจิตสันดานของท่านไปทีนี้เรามองดูถึงว่าธรรมะเนี่ยมันมีแนวสัมพันธ์กันพระพุทธเจ้าเวลาจะเทศสอนองค์ทรงประกอบด้วยทศพลยานสิบนะฮะอย่างรู้เมืออจะเคยเล่าฝั่งทีหนึ่งในมหาศีาษสุตอ่ะ พระองค์จะสวจ ด, ดูความแก่อ่อนของอินทรีย์อธิมุตคือพื้นอัธยาศัยแล้วฌานาทิเลสังติกยานคือพื้นฐานความสงบและปัญญาของคนเนี่ยเพราะมันมีอะไรอยู่บ้างนี่ก็แสดงว่าคนเราก็มีพื้นในด้านเหล่านี้อยู่มากบ้างน้อยบ้างก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าท่านจตปานินี้แสดงว่าพื้นด้านนี้ท่านสูงเพราะฝังมาในจิตสันดานของท่านแล้วก็ในด้านลบนะฮะในด้านลบที่ เคยเล่ารู้สึกจากนานนะเคยเล่าให้ฟังที่ว่ามีคนมาฟังเทศแล้วก็แสดงอาการต่างๆกันภิกษุก็สงสัยเอ๊ย โ, โยมมาตั้งใจมาฟังเทศแล้วทำไมเป็นอย่างนี้บางคนก็นั่งหลับปั๊บปั๊บปั๊บสับนไอ้วันก่อนเนี่ยเมื่อวันที่หนึ่งฮะไปพูดที่สระบุรีมีพระประมาณห0ร้อเขาขาออาราธนาให้พูดสามชั่วโมงก็สมชั่วโมงตรงตัวเพี้เลยไม่ขาดไม่เกิด ปลาตั่งเรียบร้อยนะสามชั่โงเนี่ยมีองค์หนึ่งท่างกระสับกระสายมากรู้สึกจะง่วงนอนนะทั้งแก่น่อยยังอีกตข่านาทีได้ตะล้มผับลงหลับกลนลันน่นในข้าไเมย ก, กล้องตื่นไปหมดเลยแม่หลับหน่อยเดียวท่านถ้าหลับดีนะที่จริงสุขภาพดีคือว่ากินอิ่มนอนหลับนะพอล้มปับหน่อยเดียวหลับกลนลั่นเลยทีนี้ท่านอยู่ใกล้มาพูดเนี่ยอยู่กลายกันข้าวเมยกล้องหมดเลยในวะัน เราก็ต้องพยายามพูดได้ห้านาที น, ะนั้นให้มันจบจะไ้ได้เพราะว่าเขาขอไว้สามชั่วโมงแต่ว่าสังเกตดูว่าสามชั่วโมงเนี่ท่านเรียบร้อยจริงฮะนั่งกันเรียบร้อยมากเลยนั่งนิ่งแล้วหนาวนะพูดกลางกลางลานวัดไม่แม้แ ไ, ไ, ไม่ได้มีอะไรเลยพูดกลางลานวัดแล้วก็หนาวลมหนาวโชวยอย่างแรงเลยท่านก็คลุมผ้าหนาวนัง่งนี่ก็ให้ไดาพื้นก็ดีโดยเฉลี่ยนะฮะทีนี้ อย่างคนที่มาฟังที่ภิกษุถามสมัยนั้นบางคนก็นั่งหลับบางคนก็นั่งมองดูดาบางคนก็นั่งเอามือขีดดินบางคนก็นั่งเขย่าต้นไม้สมัยก่อนไม่มีห้องแอร์อย่างนี้ของประเทศเก็เห็นแปลกแปลกกันภิกษุก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าทําไมท่านเหล่านี้จึงจึงจึงมีอาการต่างกันอย่างนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นจิตสันดานนะฮะคือมันเรื่องจิตสันดานที่ฝังมาเมือนก็ไอเมตตาที่ฝังมาไปในจิตของท่านจตฺาพานิ เรามองเห็นท่าทั้งสองด้านเลยฮว่าที่ที่ทรงแสดงว่าทําไมนั่งหลับทําไมนั่งหลับพุทธเจ้าบอกว่านี้มันเคยเกิดเป็นงูมาจิตสันดานไม่อิ่มด้วยความหลับคืองูมันหลับมันเรื่อยแล้วทีนี้ไอ้คนนี่นั่งขีดดินนั่งขีดเรื่อยเลยมือไม่นิ่งมือไม่สุขพุทธเจ้าบอกมันเคยเป็นไส้เดือนเคยเป็นไส้เดือนมา่ก่อนมันกินดินจนติดสันดานมาฮเลยไม่กินไม่ได้ก็ขีดก็เอา ดีก็อยู่เปล่าๆมันก็ทําไปเรื่อยทีนี้ไอ้พวกที่นั่งแงนดูดาวคุยว่าบอกว่าเคยเป็นหมอดูดาวหมอดูนักขัตตเลิกมามันก็ติดติดฝังมาในจิตสันดาลเพราะในเรื่องจิตสันดาลเนี่ยคำสันดาลไม่หยาบนะฮะแต่ว่าเราทวารสันดาลนะโกรธเลยคือเนี่ยพอคพาพระดีๆพอออกไปนอกวัดแต่บางทีมันเป็นนักเลงอันตรพานไปเลย ภาษาก็ดีๆนะฮะจิตสันดานคือสิ่งที่เก็บสะสมไว้ทางด้านบวกด้านลบนะฮะก็ใช้เนี่ยดีก็เรียกว่าจิตสันดานได้ไม่ดีก็เรียกว่าจิตสันดานได้ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่ า, าธาตุนั่นเองมันสะสมอยู่ภายในใจแล้วก็สั่แสดงออกมาอย่างนั้นเน่ยแล้วคนนั่งเขย่าต้นไม้นี่มันเขยา่านั่นเขย่านี่มันจับนั่นเขยา่าพระเจ้าบอกชาติก่อนนเคยเป็นลิงมันเขย่าต้นไม้มาติด ลักษณะเหล่านี้เราดูพฤติกรรมของเด็กเนี่ยที่จริงถ้าใครเลี้ยงเด็กมากๆอยู่โรงเรียนอนุบาลมันน่าจะทดลองดูเออเด็กเด็กนี้แสดงอะไรจิตสันดานแตต่างกันมีการเล่นแตกต่างกันมีความชอบมีแนวโน้มอะไรต่ออะไรต่างกันเพราะงั้น เ, ออเรื่องเหล่านี้จึงสะท้อนเรื่องจิตสันดานได้อย่างชัดเจนคือเรื่องธาตุที่ว่ามาเนี่ยได้อย่างชัดเจนมากต่อไปนั้นก็คือไม่รัก ไอ้ไม่รักเนะี่ยมันมันอยู่ตรงไหนคืออยู่สู่ที่ท่านรักลูกมากรักลูกมากจนเดือดร้อนไปไหนก็ต้องมีบ่อนนะ้ําเป็นวงเป็นยอยก็ลูกสารพัดแต่ลูกก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ท่านที่ท่านต้องการจะให้เป็นแต่ทําไมชื่ออย่างเงันไม่รู้ก็แปลกเดมกันามาอย่างนีงว่าชื่อนี้น่าจะเป็นเนมิตรการนาม n นมิตรการนามคือชื่อชาวบ้านก็ตั้งให้พราะทุตากุมารเนี่ยมันไม่น่าชื่ออะนักเลงอะทุตากุมารคือผู้ประทุษร้ายอะ ดูชื่อแล้วไม่น่าชื่ออย่างนั้นะแสดงว่าคงเป็นเนมิตะกนามที่ราษฎรเรียกชื่อทุตะกุมานเนี่ยลูกชายแกไดเกกะรารานว่าไปเรื่อยๆแล้วขนาดว่าไม่รู้ใครเป็นใครเลยจนในขณะที่แกเกกะรารานอยู่นะพระราชาที่เป็นราชบิดาก็าวิตกกังวลเดือดร้อนเป็นทุกข์เพราะลูกคนนี้มนนันมาแล้วก็ไม่หนำซ้ำํายังไปทําอันตรายต่อพระพุทธพระปัิเจ้าพุทธเจ้าอีกท่านก็เสียใจเพราะลูกไปกระทาผิดขนาดนั้น เสียใจเพราะอะไรเพราะรักลูกก้นบึ้งจริงๆมันอยู่เพราะรักลกูกแล้วลูกก็ไม่เป็นไปยอย่างที่รักโดอท่านก็เสียใจก็มองเห็นว่าความทุกข์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นแก่ท่านนั้นมันเกิดขึ้นเพราะความรักจะจะยุติความทุกข์ในส่วนนี้ก็คือต้องไม่รักท่านก็เลยไม่รักแต่ไม่รักมันได้หมายความว่าเกลียดนะฮะไม่รัก อย่างที่เคยพูดเรื่องเมตตาว่าเราอยู่กันได้โดยไม่ต้องใช้คำว่ารักแต่เราใช้คำว่าเมตตาอันนี้ภาษามันอยู่ที่ภาษาว่าเราเรานิยามความหมายในเรื่องนี้ว่าอย่างไงพระพุทธศาสนาเราจะเห็นว่าพระพุทธศาสนามไม่ยกย่องความรักเพราะความรักมีลักษณะของหลักะแล้วถ้ามันตีกลับอีกทีหนึ่งคือไม่สมหวังจะเป็นโทสะอย่าลืมตีกลับนะฮะธรรมะมันจะต้องตีกลับ อีกภาคหนึ่งมันเป็นอะไรอีกภางหนึ่งจะเป็นโทสะพระศาสนาจึงไม่สอนเรื่องความรักแต่จะสอนเรื่องเมตตาเมตตาที่จริงเจอราคะนะเจรักะแต่ว่าเจือจนเป็นธรรมะแล้วมันก็เหมือนกับยาพิษที่มันเจือเรอน้ํากรดที่มันเจืออยู่ไหนไรแต่ก็ไม่เป็นพิษแล้วแต่ให้ลองสังเกตว่าพอขั้นบริสุทธิ์จริงๆนั้นเขาไม่ใช้เมตตาพระพุทธเจ้าไม่มีเมตตาคุณ พระพุทธเจ้ามีการุณาคุณเพราะการุณาคุณที่บริสุทธิ์จริงไม่มีราคาการุณาไอ้เมตตายัางไงมันก็มีราคาเจออือโจอเราจะพบว่าพอเราพูดถึงพระพุทธเจ้าใครจะไปใช้เมตตาคุณกันะพระพุทธเจ้าไม่ใช้เมตตาคุณมีแต่การุณาคุณคื อ, อ, อสงสารสัตว์ทั้งหมดเลยทุกชีวิตเลยเชั้นของจิตที่เกี่ยวกับสายนี้นะฮะท่านท่านท่านท่านก็เรียงไว้ ราคะนะครกามราคะราคะนี่คือคือคือกำหนัดจัดเลยแล้วก็กามราคะกำหนัดโดยวัตถุที่ใครแล้วก็เปมาคือความรักนะครเปมาคือความรักซึ่งเราจะเห็นว่าเอา่อถ้าไม่มีการตอบสนองเป็นโทสะนะแล้วก็เกหะสิตะเปมาความรักที่อาศัยเรือนคือเป็นครอบเป็นครัวก็เป็นครัว อดทนหนักนิดเบอหน่อยก็ทนเอาเห็นแก่ลูกเห็นแก่ครอบครัวเห็นแก่พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายแล้วก็ทนทนะก็อยู่กันอย่างนัน้นแหะแต่ว่ามันก็ดีมีเหตุผลมากขึ้นแล้วก็ก้าวขึ้นไปอีกขั้นก็คือเมตตาเมตาก็คือความรู้สึกมุ่งดีปรารถนาดีที่จะต้องการเห็นชีวิตทั้งหลายอยู่อย่างไม่มีเวรไม่มีภัย ไ, ไ, ไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันทีนี้เราเรามาดูคู่สามีภรรยาคู่สามีภรรยาเจ็ดท่านนึกออกนะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าอะไร พัญญาที่เสมอโดยโจรพัญญาเสมอด้วยเพชฌฆาตพัญญาที่เสมอด้วยนายสามีก็เหมือนกันนะฮะไม่ใจวเรียงเฉพาะพัญญาประเดียวโยมเนี่ยน้อยใจยคือคื อ, คอมันมันมนสองด้านนะฮะสองด้านก็พูดเหมือนกันนะพัญญาเสมอด้วยมารดาพัญญาเสมอด้วยพี่สาวน้องสาวพัญญาเสมอด้วยเพื่อนพัญญาเสมอด้วยทาต ท, ทาสีหรือสามีก็เหมือนกันเราจะเห็นว่ามารดาก็ดีพี่สาวน้องสาวก็ดีเพืพ่อนก็ดี แล้วก็ธาตุก็ดีมีรักน้อยนะะมีความหวังดีกันมากกว่ามันก็อยู่เป็นสุข ม, มีราคาน้อยมันก็มีความเมตตามากไม่ใช่ไม่มีเลยนะมีราคาอยู่น้อยแต่มีเมตตามากพัญญาสามีประเภทเจ็ด ส, สี่ประเภทนี้นะฮะคือพันสามีที่เสมอด้วยวิดาสามีที่เสมอด้วยเพื่อนสามีที่เสมอโดยพี่ชายน้องชายสามีที่เสมอด้วยธาตุมันก็เรื่องเมตตามาก นี่คือยันกันธรรมะที่ยันกันอยู่แล้วถ้าท่านทั้งหลายนั้นอยู่ในโลกแล้วมองได้ชัดว่าถ้าความรู้สึกระดับนี้มันจะอบอุ่นมากกว่าระดับนน้นไอระดับสามนั้นไม่ไหวระดับระดับทาระดับโจรระดับเพชฌาตนะ่ะางพรานกันทีนี้คุณธรรมคือเมตตาที่ก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันนั้นถ้าเราออฝังไว้เป็นจิตสัาามันก็แกร กระจายตัวเองได้โดยไม่จำเป็นจะต้องใช้คำมารักเพราะรักแล้วอีกด้านหนึ่งจะโศกอีกด้านหนึ่งจะโกรธแต่ถ้าไม่ตาพอมันมันมันมันเสียหลักมันวิ่งกหาอุเบกขาให้ท่านลองดูพรหมิหารนะฮะเราไม่ตาเราตั้งความปรารถนาอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเราไม่ได้โกรธอะไรแต่เราจะอุเบกขาเออสาสตร์ต่างาเป็นกรรมครับ พยายามช่วยเต็มที่เลยคนเขาป่วยเราช่วยเต็มที่สุดกำลังแล้วด้วยการุณาเต็มที่เลยช่วยไม่ไหวกรรมสกุลิคนเรามีกรรมของของตนใจสบายนะมุทิตาพลอยชื่นชมยินดีกับเขานะแล้วก็ชื่นชมยินดีแล้วไม่ได้อะไรเราก็อุเบกขาเห็นไหมมันมีหลักที่พักมันมีที่พักอยู่ถ้าเม่ตาแล้วพอมันมันกระจายตัวเองออกไปแต่มันมีมันมีห้องนอนนะ มีห้องนอนคือเบคขาอยู่เมื่อมันเสร็จเรื่องเจดาก็เข้าห้องเป็นอุเบกขาไม่เป็นโทสะไม่เป็นโศกะไม่เป็นความประทุสร้ายอะไรเพราะงั้นท่านชัตตาปานิท่านจึงอยู่ไม่ครองเรือนธรรมดาธรรมดานี่คแต่ก็ไม่รักแต่ไม่ได้มาความไม่มีเมตตามันก็มีเมตตากรุณาไม่รักไม่โกรธไม่รักไม่โกรธไม่ริษยาไม่ดื่มทุรากลายเป็นองคศีนะครับ กลายเป็นองค์สีประการซึ่งเป็นธรรมะที่ออกจะแปลกกลายเป็นคุณธรรมของคนคนหนึ่งแล้มายังยังดูก็ยังหาไม่เจอนะฮะก็ลองดูดูว่าไอ้ท่านกาลรประกาศนี่ท่านรู้เปล่าว่าองค์สีคืออะไรท่านก็ไม่รู้ประชาชนเองก็ไม่รู้แต่มีจตตราณิคนเดียวที่รู้ว่าองค์สีนั้นคืออย่างนี้ซึ่งองค์สีอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ แต่องค์สีเหล่านี้เราดูแล้วก็เป็นหลักครองเรือนครองสุขได้อย่างดีคือไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของอบายยมุกโดยสรุปก็คือสุราแล้วก็ไม่ริษยาใครใจเราก็ไม่รอนในขณะเดียวกันก็ไม่โกรธก็ไม่มีการโต้ตอบไม่มีการประทุษร้ายใครแล้วก็ไม่รักเมื่อไม่รักมันก็ไม่ชังแต่ก็อยู่ด้วยเมตตาทาให้จิตใจมีความสงบมีความผองใเยือกเย็นได้ นี่ก็เป็นเึงราที่สะท้อนให้เห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนสรุปท่านเห็นว่าวิถีชีวิตคนมันดูแล้วมันมาในเส้นทางของมันเองแต่คนดีมันก็มีเชื้อดีสะสมมาด้วยมันมีความนิยมในความดีมาเรื่อยแต่คนที่ไม่ดีก็นิยมในความไม่ดีมาเรื่อยเหมือนพวกดํานิยมดําพวกขาวนิยมขาวอย่างที่พูดเอ่อก็กลายเป็นไรพอออกมาผลิดอกออกผลสุดท้ายก็พฤติกรรมเหล่านั้นก็คงรูป เจตปาีิท่างก็กลายเป็นภาษาริบุตรธรรมทัตก็กลายเป็นพระโพธิพระพุทธเจ้าไปเทวทัตแต่าการละกะกนนายนิสัยไม่ ด, ดีมาตั้งแต่ต้นมันก็กลายมาเป็ น, นเทวทัตเพรานการสร้างกุศลในทางศาสนาจึงถือว่าเป็นการฟอ ก, กจิตสันดานเสริมสร้างบา ร, รมีของบุคคลนั้นที่ทรงแสดงว่านาความสุขมาให้ทั้งในโลกนี้และในโลกอื่น